ปัญหาที่เจ็ถามถึงความเกี่ยวกันแห่งจักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณข้าแต่พระนาคเสนจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็ตามไปเกิดในที่นั้นหรืออย่างนั้นมหาบาพิษข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจักขุวิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณเกิดทีหลังหรืออย่างไรขอถวายพระพร จักขู่วิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณเกิดทีหลังข้าแต่พระนาคเษนก็จักขู่วิญญาณบังคับมโนวิญญาณไว้หรือว่าเราจะเกิดในที่ใดเจ้าจงเกิดในที่นั้นหรือมโนวิญญาณสั่งจักขู่วิญญาณไว้ว่าเจ้าจะเกิดในที่ใดเราก็จะเกิดในที่นั้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นมหาวพิต วิญญาณทั้งสองนั้นพูดจากกันไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นชไหนจึงว่าจะขู่วิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นขอถวายพระพรที่ว่าอย่างนั้นเพราะเป็นของลุ่มหนึ่งเป็นประตูหนึ่งเป็นที่สะสมมาหนึ่งเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมาหนึ่งเพราะเป็นของลุ่ม ค่าแต่พระนาคเษนจะขู่วิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะเป็นของลุ่มนั้นคืออย่างไรขอหนี้มนุปปามาด้วยขอถวายพระพรเมื่อฝนตกลงมามหาวพิษส่งเข้าพระทัยว่าน้ําจะไปทางไหนค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ลุ่มมีอยู่ทางใดน้ําก็ต้องไปทางนั้น ขอถวายพระพรเมื่อฝนตกลงมาอีกน้ําจะไหลไปทางไหนข้าแต่พระนาคเสินน้าก่อนไปทางใดน้ําใหม่ก็ต้องไปทางนั้นขอถวายพระพรน้ําก่อนสั่งน้ําหลังไว้หรือว่าเราไปทางใดเจ้าจงไปทางนั้นหรือว่าน้ําหลังสั่งน้ําก่อนไว้ว่าเจ้าจะไปทางใดเราก็จัะไปทางนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า น้ำทั้งสองนั้นพูดจากันไม่ได้แต่น้ำนั้นไหลไปได้เพราะทางนั้นเป็นทางรุ่มเป็นทางต่ำต่างหากข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษคือจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะที่นั้นเป็นที่รุ่มเป็นที่ต่ำจักขุวิญญาณไม่ได้สั่งมโนวิญญาณไว้ว่า เราเกิดในที่ใดเจ้าจงเกิดในที่นั้นมโนวิญญาณก็ไม่ได้สั่งว่ามโนวิญญาณก็ไม่ได้สั่งจะขู่วิญญาณไว้เหมือนกันวิญญาณทั้งสองนั้นไม่มีการพูดจากกันแต่ว่าเกิดในที่นั้นในสิ่งนั้นเพราะที่นั้นสิ่งนั้นเป็นเหมือนที่ลุ่มที่ต่ําฉะนั้นเพราะเป็นประตูข้าแต่พระนาคเสณข้อที่ว่า จะกววิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะเป็นประตูนั้นอย่างไรขอได้โปรดอุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าหัวเมืองชายแดนของพระราชามีป้อมค่ายคู่ประตูหอลบแน่นหนาะแข็งแรงแต่มีประตูเข้าออกเพียงประตูดเดียว มีผู้อยากจะออกไปจากพระนครนั้นจะออกไปทางไหนออกไปทางประตูสิภะผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรยังมีบัลุษอีกคนหนึ่งอยากจะออกไปเขาจะออกไปทางไหนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษคนก่อนออกไปทางประตูใดบัลุษคนหลังก็ต้องออกไปทางประตูนั้นแหละขอทวายพระพร บรรลุคนก่อนสั่งบรรลุคนหลังไว้หรือว่าเราออกทางประตูใดเจ้าจงออกทางประตูนั้นหรือบรรลุคนหลังสั่งบรรลุคนก่อนไว้ว่าเจ้าออกทางประตูใดเราก็จะออกทางประตูนั้นข้าแต่พระนาขเสนบรรลุทั้งสองนั้นไม่ได้บอกกันไว้เลยแต่เขาออกไปทางเดียวกันเพราะทางนั้นเป็นประตู ข้อนี้ก็ฉะ น, นั้นแหละมหาปพิธจักขวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะที่นั้นเป็นประตูไม่ใช่จักขวิญญาณสั่งมโนวิญญาณไว้หรือมโนวิญญาณสั่งจักขวิญญาณไว้ทั้งสองนั้นไม่มีการพูดจา ก, กันแต่เกิดขึ้นในที่แห่งเดียวกันเพราะที่นั้นเป็นประตู เพราะเป็นที่สะสมมาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้อว่าจะขุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะเป็นที่สะสมมานั้นคืออย่างไรขออุปมาให้แจ้งด้วยขอถวายพระพรเกวียนเล่มแรกไปก่อนแล้วมหาป พ, พิธจะเข้าพระไทยว่าเกวียนเล่มที่สองจะไปทางไหนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เกวียนเล่มแรกไปทางใดเกวียนเล่มหลังก็ต้องไปทางนั้นขอถวายพระพรเกวียนเล่มก่อนสั่งเกวียนเล่มหลังไว้หรือว่าเราไปทางใดเจ้าจงไปทางนั้นหรือว่าเกวียนเล่มหลังสั่งเกวียนเล่มก่อนไว้ว่าเจ้าจะไปทางใดเราก็จะไปทางนั้นไม่ได้สั่งไว้เลยพระผู้เป็นเจ้าเพราะเกวียนทั้งสองนั้นไม่มีการพูดกัน แต่ไปทางเดียวกันเพราะทางนั้นเป็นทางที่สะสมมาแล้วข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาภพิษจะขูวิญญาณกับมโนวิญญาณไม่ได้สั่งกันไว้เลยแต่เกิดในที่แห่งเดียวกันเพราะเป็นที่สะสมมาแล้วเพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมาข้าแต่พระนาคเสนข้อว่าจะขุวิญญาณเกิดในที่ใด มโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมานั้นคืออย่างไรขอจงอุปมาให้ทราบด้วยขอถวายพระพรผู้ที่เริ่มเรียนศินละปะในการนับด้วยนิ้วมือหรือนับตามลำดับหรือขีดเป็นรอยขีดหรือหัดยิงธนูที่แรกก็ช้าก่อนต่อมาภายหลังก็ไวขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติแล้วคือได้กระทามาเสมอชั้นใดจะขู่วิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดในที่นั้นจะขู่วิญญาณไม่ได้สั่งมโนวิญญาณไว้เลยว่าเราเกิดในที่ใดเจ้าจงเกิดในที่นั้นมโนวิญญาณก็ไม่ได้สั่งจกขู่วิญญาณไว้เลยว่าเจ้าจะเกิดในที่ใดเราก็จะเกิดในที่นั้นเพราะ เป็นสิ่งที่เคยประพฤิมาแล้วฉันนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณทั้งสองนั้นไม่มีการพูดจากันเลยแต่เกิดในที่แห่งเดียวกันเพราะได้เคยประพฤิมาถึงโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณก็เหมือนกันอย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิษเป็นอันเหมือนกันหมด พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้วอธิบายข้อนี้ได้ใจความว่าวิญญาณทั้งห้าคือความรู้สึกทางตาหูจมกูกริ้นกายย่อมเกิดในที่แห่งเดียวกับมโนวิญญาณคือความรู้สึกทางใจด้วยยกตัวอย่างเช่นตาเห็นรูปได้ชื่อว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นก่อนแล้ว มโนวิญญาณจึงเกิดที่หลังทำให้รู้และเข้าใจได้ว่ารูปที่เห็นนั้นเป็นคนสัตว์วัตถุสิ่งของมีลักษณะเป็นประการใดเพราะถ้าไม่มีมโนวิญญาณเข้าร่วมด้วยก็เหมือนกับคนนั่งใจลอยเมอมองไปข้างหน้าเมื่อไปถามว่าเห็นอะไรไหม เขาก็ตอบว่าเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดเพราะไม่ได้ตั้งใจดูอย่างนี้เป็นต้นถึงจะเป็นการฟังเสียงดมกลิ่นริมรถสัมผัสถูกต้องก็มีสภาพเช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะอาศัยจะขุบวิญญาณหรือโสตะวิญญาณหรือฐานะวิญญาณหรือชิวหาวิญญาณหรือกายวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเกิดขึ้นก่อนแล้ว มโนวิญญาณจึงจะเกิดทีหลังดังนี้ปัญหาที่แปดถามลักษณะพัสสะข้าแต่พระนาคเสนจักขุวิญญาณเกิดในที่ใดเวทนาก็เกิดในที่นั้นหรืออย่างนั้นมหาปพิธคือจักขุวิญญาณเกิดในที่ใด เวทนาก็เกิดในที่นั้นถึงสัญญาเจตนาพัทธะมานสิการวิตกวิจารณ์ก็เกิดในที่นั้นธรรมทั้งหลายมีพัทธะเป็นต้นก็เกิดในที่นั้นขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพัทธะมีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรพัทธะมีการกระทบกันเป็นลักษณะขอนิมนุ์อุปมาด้วย ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนกับแพสองตัวชนกันอยู่จะขูเหมือนกับแพตัวหนึ่งรูปเหมือนกับแพอีกตัวหนึ่งภัสสะเหมือนกับการชนกันแห่งแพทั้งสองนั้นขอนิมนุปอุปมาณให้ยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่ามือทั้งสองที่ตบกันจะขูเหมือนมือข้างหนึ่งรูปเหมือนมืออีกข้างหนึ่ง พัสสะเหมือนการกระทบกันแห่งมือทั้งสองขอนิ้มนุปอุปมาณให้ยิ่งขึ้นไปอีกขอถวายพระพรเปรียบประดุดบุรุษเป่าปีสองเราขึ้นพร้อมกันจะขุ่เหมือนปีเราหนึ่งลูกเหมือนปีอีกเราหนึ่งพัสสะเหมือนการรวมกันแห่งเสียงปีทั้งสองเรานั้นถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้า